เป็นวันที่ 13 มกราคม 2500 สาลิก 2, 2 ที่บอกวันไว้ก็ แต่ตรัสว่าตัวของท่านเองมีความเข้าใจว่าท่านเป็นพระ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่า 4 หรือ 5 เอาตามนี้ก็แล้วกัน 10 คน และที่เก้าอี้พระนั่งก็มีพระอยู่องค์หนึ่งขอ <c oughs> มันดำสนิทแล้วก็มีสีแดง มีความยินดีในความรู้คิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ เมื่อความมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเรื่องคือว่าการรับแขกให้บรรดา <c oughs> พอมาหลังจากนั้นเมื่อบรรดา <c oughs> ไสทายเครียดตายของเธอมองเคล้าความจริงจะเป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นทั้ง การแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้จะอดทนได้ไหมนั้นเมื่อเธออยากเธอบอกว่าอาทิตย์ ก็ตอบถือว่าตามปกติท่านที่ได้แล้วท่านไม่ทําต่อกัน กับการทรงอภิญญามีผลต่างกันอรหันต์มีผลสูงกว่าอภิญญามากอภิญญา ก็อยากนี้อยากจริงแต่ความจริงไม่ได้ตอบคือขนาดนี้ตอบเธอแต่เพียงว่าในเมื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมันจากอวิชชาทั้งหมด endurance เกิดขึ้นมันจากอาวิชาทั้งหมด อาวิชา.. อาวิชาเป็นแม่ปลาดใหญ่ก็ตอบเธอว่าท compile แต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็เบาใจคิดว่าเธอถาม ได้รับจดหมายฉบับ 2531 แสดงว่าเธอลงพอสอบผิดว่าเธอลงแต่ว่าการลงพอสอบผิดผิด อย่างนี้ธรรมดาธรรมดาหลวงพ่อ สีแดงเป็นความยินดีในความดีที่มีอยู่ตะนิดดํามากกว่าสีแดง เขียน 5 มกราคม 2531 แต่ความจริง พ.ศ. 2532 ถึงหลวงพ่อ 30 ก็ได้ศาสรสูตรตามพระพุทธองค์แล้วฟังให้ดีนะ ตอบปัญญาได้หรือไม่สังนิพพาน 5 มีมาได้อย่างไรเพื่อดูว่าท่านจะได้นิพพานแล้วหรือยังสุดท้ายท่านตอบโง่ เป็น 2 ในหลักปฏิจจสมุปบาทเหตุที่เกิดนิพพาน 5 เพราะมี ที่ไม่อยากที่ไม่อยากจะฉีกหน้าท่านที่ อ่านามตรงนี้อันไม่ชัดสำนักวัดคลองเตยคลองเตยน้อยอย่าลืมนะให้เขียนตอนท้ายว่าพระวิสุทธิบุญญชัยหมดงามถ้าจะคุณไม่แน่นอนสำนัก ต้องต่อว่าสุภพุทธกุฏิสุภพุทธะผู้เป็นโลกเรือนแต่ความจริงจดหมายเนี่ย <c oughs> ทุกคนฟังแล้วอย่าโกรธถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้เรื่องในพุทธศาสนาเค้า ใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อนิพพานมีสภาพอย่างนั้นก็ ต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลา 18:00 น. หลังจากคน 10 คนวันนั้นท่านก็บอก แล้วก็นึกในใจว่าโลกข้อนี้ไปมากแล้วนิพพานเค้าบอกมีสภาพสูญแล้วทําไม เมื่อถึงระหังร่างกายเป็นหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แถวปราปฏิยัพภาธมาก็นึกใน เส้าต่อมาคุยไปคุยมาถึงแต่ความจริงคําว่ารู้หมดแต่ ดาวดวงนี้สุกสว่างมากพอเดี๋ยวฉันจะทําให้ดาวนี้ลี้ปรีลงจะค่อยๆลี้ลงจนทั้งมองเห็นแสงดาวท่านชี้ให้ดูเริ่มมองต่อไปตอนนี้เริ่มลี ท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวมั้ยก็กราบเรียนว่าไม่เห็นแสงครับถ้าบอก ไตรคัมม์นิพพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้คืนที่เราจะพูดคิดครูบา ถามว่านิพพานสูญหรือท่านตอบว่าถ้าคนใดสูญตนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญแต่คนไหนไม่สูญจานิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญคือตรงความว่านิพพานไม่สูญแน่ที่ต่อมา ท่านก็สงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทํากันอย่างนี้ให้คุณแนะท่านรู้สึกไม่ยากเพราะเราเดินกันมาเดินถ้าบอกว่าใช้กําลังใจอย่างนี้ทําอารมณ์แบบนี้สร้างจิตแบบนี้ทําตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณสัก ทุกคนก็ไม่ฬ童膘ตริเฉศตริพกษ เพราะวิ진ULL pantryพกษ์ไม่แกวแพร็ณ being as the อาจจะมีติดตามถึงทึกด้วยความจิตไม่จําจิตไสวเป็นแจ้วด้วยการแผ่วพราวของจิต จงทําอย่างนี้ 2 ครั้งคืนหนึ่งเช้ามืดจะเป็นก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับ อ่อขึ้นจากเรือก็ปลายก็พบลมก็บอกเออข้าไม่ทราบหรอกว่า ก็กราบเรียนให้ว่าใช่ก็รับท่านบอกท่านแหละเป็นของจริงของจริงมีตามนั้นหลวงพ่อสดุมีความสามารถ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 รู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมฐานด้วยกัน ธรรมอาการจำเวลานี้ก็ป่วยร่างกายไม่ดีสมองแย่เรียนนึกว่าไปเที่ยวลงทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ไปถึงไหนก็ไม่ทราบคงไม่นานนักมีใครคนหนึ่งถ้าจำชื่อไม่ผิดก็มี <c oughs> ที่ฌานคนหนึ่งถ้ามีความรู้สึกตนเองว่ามีความรู้มากมีลูก ท่านบอกว่าวิชาความรู้ คนตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเกิดเป็น ก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงศาสนาเค้าก็อยากจะเบ่งก็จะเบ่งเหมือนกันอยากจะเบ่งภพพระพุทธเจ้าจึงใคร่ ตอบตรงไปตรงมาบ้างตอบเลี่ยงเคลื่อยสักบ้างตอบแบบอนุโลกบ้างในการตอบแบบนี้เวลาเรียนน้อยของบรรดาทั้งพระ <c oughs> ความรู้ระเบิดออกมาพุงตายเค้ายังโกรธตายสมเด็จพระจอมไตรถามว่าความรู้พิเศษของเธอมีอะไรแล้วก็ ตามมหาพุทธเจ้าอกะลกิสสะพระอรหันต์นิพพานแล้วอย่าลืมในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระอรหันต์นิพพานแล้วไม่ใช่กระดกละเอียดเหมือนกันหมดที่ยังเป็นท่อน ตอบไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมใจจึงตัดว่าพระองค์นี้ปรนิพพานแล้วเขาไม่รู้จักคําว่านิพพานก็อยากจะศึกษาต่อไปองค์ เสียที่สุดคือก็ยอมรับยอมบวชเมื่อบวชแล้ว ยังอาตมาก็เช่นเดียวกันที่ไป ขอบรรดาบรรดาท่านสาวกโคเวนสาท่านทั้งหลายที่ 2 กิยะวาจาพูด 3 การช่วยเหลือซึ่งกัน เวลานี้คงจนได้